แต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิขัณ์นี้แล้วพอสัมผัสว่ามีกายจิตสามารถที่จะอธิบายสิ่งรู้เห็นได้อย่างละเอียดละอออันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคหรือฌานในอริยมรรคก็อาศัยสิ่งซึ่งประกอบเป็นพลังงานคือวิตกวิจารปิตสุขเอกขาตา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 ทำให้จิตใจผู้ภาวนาเกิดความโง่เง่าเาต่าตุนไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมอันนี้ก็ขอยกไว้ทัศนะของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทัศนะของบางท่านที่ท่านสามารถรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิในขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิที่มีความสงบถึงขนาดหายไปแล้ว นั่นแหละเป็นขุมกาลังที่บรรดาลให้เกิดความรู้อย่างชัดเจนโลยอย่างละเอียดโลยอยู่เหนือโลกโลกเป็นอบายที่จะให้เจ็ดละวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดสมาธิในขั้นสมถ า, าก็ดีขั้นวิปัสสนาดีก็คือสมาธิอันเดียวนั่นแหละถ้าสมถะไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้ สมาธิขั้นทานไม่มีญาณก็ไม่มีเมื่อไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัชนาจากคงอุดรปารีจิตเข้าลงสู่ความสงบนิ่งสว่างโปรงขึ้นมาญาณังอุดรปารีการกำหนดรู้โดยอัตโนมัติพร้อมอยู่ที่จิตดวงสงบปัญญาอุดรปารีความไหวตัวของจิต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 อย่างกินกิสมุไดยัธรรมังสบันตังนิโรแธรรมมันติคือตัวนี้เองเมื่อใครมีสติปัญญาสามารถกําหนดรู้ความเกิดหลับและรู้ได้อย่างชัดแจ้งแจม่มแจม้งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงจิตเห็นด้วยกับความรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงหายสงสัยในพระธรรมวินัยมีความรักตั้งมันนรรนมมม่นในพระรัตนตรยัยมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสมรรถภาพของตัวเองสามารถเยินยัดอยู่ในความเชื่อมัน่นในคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาหายสงสัยในธรรมวินัยแล้วโสตาปันโนไม่ใช่ผู้บรรลุถึงโสดาบันแล้วหรือขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาดู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 มากเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ต้องอาศัยการฝึกขัดบ่อยๆอบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้จำนิชํำนานแล้วจิตของเราจะดำเนินในการพิจารณาไปเองทางที่ดีควรจะได้ฝึกขัดทมสติตามรูปการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทมพูดคิดลุกลมทุกลมหายใจประกอบไปด้วยปัญหาต่อไปการที่เราไปในงานศบ นายเห็นศพหรือวิธีการเผาศพจนกระทั่งสิ่งที่เหลืออยู่คือกระดูกเท่านั้นแล้วมันเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเนอะหารูปร่างกายของเราจะทําให้มีผลดีหรือไม่อย่างไรการไปดูงานศพหรือไปเห็นซากศพหรือเห็นกระดูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะจิตยกมาเป็นหัวข้อพิจารณาเพื่อเป็นการอบรมจิต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 สามารถจะทําให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงได้เช่นเดียวกันกับการภาวนาอย่างอื่นทีนี้ในตอนแรกๆเราก็อาศัยสัญญาความจําไปก่อนสัญญาความจำเราเอามาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแนวนําให้เกิดไอ้สัญญาความจําที่เราเอามาพิจรนารณาเนี่ยมันเป็นสติปัญญาธรรมดาเป็นอุบายทําจิตให้สงบลงเป็นสมาธิ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 เวลาคนตายธาตุลมหมดไปก่อนลมหายใจเกือกสุดท้ายหยุดหายใจก็เป็นอันตายทันทีการที่เราทำบุททำทานกับพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์กุศลที่เราจะได้รับมีหรือไม่มีให้ทานสัตย์ในละฉานได้อั น, น้สงร้อยหนึ่งให้คนทูศีลได้อั น, น้สงพันหนึ่งให้คนที่มีศีลมีธรรม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 แต่เราอาศัยการปฏิบัติจิตทำสมาธิภาวนาไปเมื่อจิตของเรามีความบริสุทธิ์ศีลของเราก็มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตหมายถึงเจตนาแน่วแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลในตอนต้นๆก็มีเศร้ามองบ้างด่างพลอยบ้างแต่เรามีเจตนาดีที่จะสำรวมจิตเพื่อปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ประกอบกับการทำสมาธิภาวนาไป คุณธรรมก็ย่อมสามารถที่จะเกิดได้วิธีเดินจงกรมตามสายอาจารย์มัน่นวิธีเดินจงกรมนี่ไม่มีตามสายของใครตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันการเดินจงกรมเนี่ยเรากะทางจงกรมพอสมควรอย่าให้สั้นนักอย่าให้ยาวนักก้ายาวเกินไปเดินมันเมื่อยพราเดินถ้าใกล้นักเดี๋ยว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 เปนวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้สมาธิได้สติปัญญาเช่นเดียวกันหมดหากเราไปกําหนดว่าสายโน่นสายนี้ไปเดียวเราจะเผลอไปเสียงกันไม่รู้สึกตัวการจุดโทษการจุดโทษจุดเทียขนขณะไหวพระโสดมน์ภาวนามีความสําคัญเพียงไรการโสดมนภาวนาที่มีการจุดโทษเทียนหรืไม่จุดโทษเทียนได้กุศลต่างกันอย่างไร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 ใจใส่ในร่างกายน้อยลงน้อยลงการทรงตัวจึงไม่ได้เต็มที่จึงทำให้กายเองไปข้างหลังบ้างเอ็นไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างืกอก้มลงไปข้างหน้าบ้างบางทีบางท่านภาวนาแล้วนอนหลับเลยล้มตูมลงไปนอนหลับเช่นอย่างหลวงปู่ขาวในสมัยที่เป็นพระหนุ่มท่านนั่งสมาธิแนละ้วพอ น, นั่งไปสักพักหนึ่งท่านงอนล้มตูมลงไป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 ดให้มันคล่องตัวถ้าใครขัดตายเล่นๆก่อนที่จะตายได้ น, นี่ยิ่งดีเราจะได้รู้ว่าความตายนั้นคืออะไรเมื่อเกิดตายจริงขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวประโยคที่สองการเปิดเทบธรรมะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ได้สุขติหรือไมอ่การเปิดเทบให้ฟังบางที คนไข้ถ้าตั้งใจจดจ่อฟังก็มีอานิสงส์ให้สุขติได้แม้ว่าคำเตือนเพียงแค่คำเดียวว่าจงทาสติแล้วเลึกถึงคุณพระคุณเจ้านะเพียงแค่นี้เขาแล้วเลิกพระพุดโทรธรรมโมสังโคในขณะนั้นก็สามารถที่จะไปสุขติได้เช่นมัตสกุลทะเลมานบเสื่องเจ็บป่วยหนักบิดาเป็นคนขี้เหนียวไม่หายามารักษา พระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มาตายลงพรุ่งนี้จะตายตายลงไปแล้วจะตกนรกพระองค์ก็สเสด็จไปโปรดทีนี้พระองค์เปล่งรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์สเสด็จมาโปรดนายมัถธคุณทลีหันกลับมามองดูพระพุทธเจ้าเพียงแว บ, บเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อนใสขึ้นมาโอโหพูดโทรพระพุทธเ จ, จ, จ้าอาสเจนจันหนอแล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทพพระบุตรอันนี้เป็นตัวอย่าง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 เปิดอยู่ในที่ปฏิกูลชุ่มแช่ไปด้วยปูมิโพลหิตที่มีอยู่ในกายนี้เป็นของปฏิกูลเมื่อเหงื่อใครหลออกมาเราก็ต้องทําความสะอาดต้องตกแต่งต้องประดับอยู่เสมอาหากว่าของนี้ไม่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดแล้วจะไปตกแต่งทําไมพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสุดแท้แต่สติปัญญาของเราจะพิจารณาได้เพียงใดแค่ไหน หรือเราอาจจะพิจารณาว่าผมของเราเนี่ตกแต่งแล้วสวยงามทำนองนี้ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นอุบายพิจารณาให้รู้แจ้ง<ๆ>เห็นจริงเหมือนกันข้อที่สองพิจารณากายแล้วมีอาการเหมือนโลหิตไหลในคอทำให้ไอายจามบางครั้งต้องลืมตาขึ้นไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างไรในเมื่อพิจารณากายแล้วมีอาการอะไรเกิดขึ้นพยายามทำสติตามรู้สิ่งนั้น ถ้าหาว่ามันจะไอจะจามจริงๆแล้วก็จามออกมาซะไอออกมาซะให้มันสิ้นเรื่องแล้วก็กําหนดสติพิจารณาไปใหม่จนคล่องตัวจนชนํชนานิชํานาญจนสามารถทํำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้การไอาจามจะหายไปเองอปัญหาต่อไปจริงหรือไม่ที่ว่าคนที่จะนั่งสมาธิได้อได้ผลเร็วนั้น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 แต่พอได้ยินแล้วเกิดความ่ลมใสยอยากทาพุนนั้นหละมีบารมีมาขอนจริงอยากทาข้อที่สองบางครั้งเคยเห็นสำนักที่สอนหลังสมาธิมีการเชิญวิญญาณมาเข้าทรงอย่างนี้ถือว่าผิดแบบแผนทางพุทธศาสนารือไม่อันนี้ควรจะให้ผู้ถามไปพิจรารณาเอาเองแต่ขอบอกว่าการฝึกสมาธินี้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 คื่องเสียงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปหลงยึดถือเห็นอย่างพวกที่ภาวนาแล้วเห็นในิม็ดโลภภาพต่างๆแล้วก็ไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของวิเศษเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมานั้นแล้วก็ไปยึดว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญไปกำหนดหมายเอาว่าต้องที่ต้องอยู่ในชาญขั้นนั้นต้องใ้ชาตขั้นนี้อะไรทานองนี้ถ้าเผื่อว่าเราทาไม่ได้มันก็จะทาให้เกิดท้อถอย สิ่งใดที่เกิดเป็นผลงานขึ้นมาแล้วเราไปยึดสิ่งนั้นจนเหนียวแน่นแล้วก็ติดกับสิ่งนั้นด้วยสิ่งนั้นคือวิปัสนูปกิเลสแต่ในแบบฉบับท่านว่าอุปกิเลสวิปัสนูปกิเลส16ประการอันนั้นยังไม่ได้ท่องแบบยังไม่ขอนามาเล่าให้ฟังเพราะเวลาน้อยขอให้ความจากัดความหมายสั้นๆว่า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 ถาพยายามว่าเราต้องนั่งสมาธิให้ได้สี่ห้าชั่วโมงให้ได้มากมากถ้าไม่ได้อย่างนั้นเป็นอันว่าไม่ได้ผลหรือเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาแล้วยึดติดในสิ่งนั้นๆเป็นวิปัสสนูรักษาศีลติดศีลก็เป็นวิปัสสนูปะเกลิทําสมาธิเกิดขึ้นติดสมาธิก็เป็นวิปัสสนูปะเลส เกิดปัญญาความรู้อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วไปหลงปัญญาความรู้ของตนเองขาดวิชาสติปัญญาความรู้เท่าเอาทันเป็นวิปัสสนูปะกิเลสทั้งนั้นข้อหนึ่งทำไมจึงทำไมถึงว่าสมาธิเกิดในเวลานอนดีที่สุดกดว่าที่สมาธิที่ว่าสมาธิเกิดขึ้นในเวลานอนดีที่สุดกเพรภาะเหตุว่าแทนที่เราจะนอนหลับทิ้งเปล่าๆ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 การมีสมาธิในท่านั่งบางทีมันก็อาจจะมีไม่นานนักมีสักานาทีสิบนาทีมันก็ถอนที่เรามีสมาธิในเวลานอนนี่เราอาจจะมีสมาธิอยู่ตลอดขึ้นยังลุ่มก็ได้ถ้าเป็นสมาธิในเกิดขึ้นในขณะนั่งจะมีคุณค่าน้อยกว่าหรือไม่ก็มีคุณค่าพอๆกันถ้าจิตอยู่ในสมาธิได้นานๆรู้ธรรมเห็นธรรมก็มีค่าเท่ากัน ที่ว่าถ้าสามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นในเวลานอนได้ดีที่สุดนั้นก็เพราะเหตุว่าเป็นการฝึกสมาธิให้ทําสมาธิให้ได้ทั้งในท่านอนใ น, ท, น ท, ท่านั่งท่ายืนท่าดำเนินถ้าทำจนคล่องคตัวได้ทุกอินยาโบดิ่งเป็นการดีเวลาเกิดขึ้นในเวลานั่งก็มีค่าเท่ากาันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลานั่งหรือเวลานอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลานาั่ง แต่เวลาทำเวลาท่านนอนท่านก็ทำสมาธิพระพุทธเจ้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็ไปตื่นเอาตีสามช่วงขณะเวลาที่นอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามนี่ท่านก็ทำสมาธิท่านกำหนดจิตพิจะระนารณารูสัตว์ที่จะไปโปรดในวันรุ่งขึ้นว่าแก้ไขปัญหาเทวดาไงการแก้ไขปัญหาเทวดาต้องต้องพูดกันทางสมาธิไม่ได้พูดโดยปาก เอาใจพูดกันทีนี้ถ้าหากว่าใจพระพุทธเจ้าไม่มีสมาธิในขณะนั้นสัมผัสรู้เทวดาได้อย่างไราความปีติที่เกิดขึ้นทําอย่างไรจึงจะให้สงบลงเมื่อปีติบางเกิดขึ้นไม่ต้องไปทาให้มันสงบลงกําหนดจจตู้มันอยู่เฉยๆบางทีมันอาจจะกระโดดโลเต้นหัวเราะร้องไห้ขึ้นมาก็ตามทาสติตามูลมันตลอด แต่เมื่อมันไปจนหมดฤทธิ์มันได้มันสงบลงเองถ้าเราไปบังคับให้มันสงบลรงทีหลังปีติมันจะไม่เกิดเมื่อปีติไม่เกิดการปฏิบัติมันก็ท้อถอยอย่างปัญหาที่ว่าภาวนาเมื่อก่อนเนี้ทักทำไมมันสงบสบายดีแต่เวลานี้มันขี้เกียจเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะไม่มีปีติแต่บางครั้งรู้สึกว่าใครจะสํารัก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 บางคนก็พอปีติเกิดขึ้นแล้วก็วางมือจากกันวางประสานกันมาตกหัวเข่าตัวเองดังปั้งๆอยู่ก็มีอันนี้เป็นอาการของปีติซึ่งสุดแท้แต่นิสัยของใครจะแสดงออกมาอย่างไรหายใจไปเป็นความรู้สึกอยากสูดความสุขหรืออากาศ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 ถ้าไม่ใช่กรุณา์แนะนำการการทำสมาธิ <c oughs> ด้วยการท่องภาวนาพุทโธเนี่ยเราท่องท่องท่องท่องไปจกนกระทั่งว่าใจมันท่องพุทโธเองได้ยิ่งดีนอนหลับมันก็ท่องอยู่ตื่นอยู่มันก็ท่องอยู่ยิ่งดีไอการปฏิบัติสมาธิเสร็จแล้วได้นอนขณะที่นอนก็ภาวนาพุทโธต่อไป มีอาการจิตดด่งลงก็ได้ตามรู้อารมณ์ของจิตสักครู่รู้สึกว่าเหมือนกับตัวหมุนไปรอบอหมุนไปรอบห้องบางครั้งมีความรู้สึกเมืออะไรตัวพองลมจะระเบิดหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสงบ